นักฟังที่ครบค่ารายการสันสนิษฐานนาทางสถานีวิทยุเอฟอมครอบครัวข่าวเราพบกันอยู่เป็นประจำเพื่อพร้อมกับทางสถานีวิทยุพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้นั่งสมาธิกันมาพอสมควรด้วยการนําของมารคชาควโรเป็นการนั่งสมาธิที่เขาเรียกว่าตามพุทธวจนะค่ะวันนี้จะมาถึงช่วงเวลาของการตอบคําถามด้วยการใช้พุทธวจนะเช่นเดียวกัน เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยผู้ทวัจนะกับพระจันทรเทพบุตรอภิปุโนนะคะกราบน้มักการค่ะท่านคะเจรพรค่ะวันนี้เป็นเช้าอีกวันหนึ่งที่คนที่ตื่นเช้าๆ เ, เนี่ยก็จะคุ้นเคยกับบรรยากาศสบายๆมากกว่าคนอื่นหน่อยนะคะพระเจาพูดถึงคนที่ตื่นขึ้นมาในยามสุดท้ายยามราตรีในยามสุดท้ายยามราตรีนี่หมายถึงเวลาที่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นอนะนะ คือท้ายๆแล้วเกือบจะขึ้นแล้วอย่างเช่นตอนก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นอย่างช่วงตีห้าตีสีพวกเนี้ยนะเป็นยามสุดท้ายขอยงราตรนะีถ้าตื่นขึ้นมาในยามนี้เนี่ยก็แสดงว่าเป็นคนที่ตื่นดึกแหละเป็นคนที่ห ม, มายความว่าตื่นแบบว่าตอนที่ยังกลางคืนอยูนะ่ซึ่งก็มีเหตุผลตรงที่ว่าจะสามารถที่จะดําเนินการไม่ว่าถ้าจะเป็นพ่อค้าก็ทําให้รวยได้เป็นราชาก็บริหารบ้านเมืองให้ประสบความสําเร็จได้ เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ดูแลลูกบ้านได้นะเป็นถ้าเป็นพระนะหรือเป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติก็สามารถทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งได้ดีมากเลยตื่นมายามสุดท้ายของราตรีนะนะคะแล้วเราก็ตื่นมาแล้วแล้วเราก็มาเจอกันแล้วแล้วเราก็กำลังจะมากับเรียนถามคำถามท่านอาจารย์ภัยบุญพิปุโนนคะคะถึงข้อสงสัยต่างๆทีนี้มาถึงเรื่องของการปฏิบัติกรับท่านคะปฏิบัตในแบบที่ท่านมาร์ก แนะนำมาโดยตลอดจูเหมือนก็นว่าจะเป็นวิธีเดียวก็คือให้รู้ลมหายใจเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะในทางพระพุทธศาสนาแล้วเขาเรียกว่าเป็นวิธีปฏิบัติอะไรเป็นพิเศษไหคะก็คืออนาปาณสติคือสติเนี่ยมันมีมาได้หลายกระบวนการน ะ, อ, ะอย่างเช่นถ้าเราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เรียกว่าพุทธานุสติ นะถ้าเราจะนึกถึงค ร, าารูบาอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งอันนี้เป็นสังขารนุสติถ้าเราจะนึกถึงลมหายใจของเราก็เป็นพุทธะขอไปเป็นอานาปานาสตนะิคือสิ่งที่เราต้องการเนี่ย ม, มันก็คือคือสติอะ่ะคือเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบเนี่ยมันก็จะเราต้องการปลาไปตกปลานะแต่เราก็ต้องมีหลายๆแบบนะถ้าปลาน้ําเค็มก็ใช้เหยื่อแบบนี้ปลาน้ําตื่นปลาน้ําจืดปลาน้ํานิ่งปลาน้ําไหลก็จะใช้เหยื่อที่ต่างๆกันไปเราะฉะนั้น เวลาที่สิ่งที่เราต้องการตอนนี้นะคือจิตแตนะ่เราต้องการตกจิตให้ได้ทําไมเราอเอาจิตมาทําไมเราเอาจิตมาฝึกเราเอาจิตมาทําให้เขามาฝึกให้เขามาขัดให้สะอาดมาทําให้มันเป็นแสงสว่างขึ้นมาแม่ให้มันมัวๆแต่เพราะนั้นเราต้องเอาจิตมาให้ได้ทีนี้จิตมันมันไปนูนนน่นนี่นวลนั่นแล้วก็ไม่ได้อยู่นิ่งเลยไม่ได้เป็นตัวตนที่เราจับได้ด้วยเพรา ะ, ะนั้นจึงจึงต้องมีตรงนี้พระเจ้าพูดถึงอินทรีย์เนี่ยจะเป็นที่เริ่มไปสุ่จิต แต่พว่ไอสิ่งที่เรารู้ได้ยินเนี่ยไงมันต้องไปจิตแน่จิตต้องไปรับรู้แ น, มน่มันจะมันจะมาเป็นตัวที่ดึงจิตไปต่างหากแล้วนี้เราจะดึงไอพวกนี้ดึงจิตของเรากลับมาได้ไงก็ต้องมีสติตพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าจิตเนี่ยเป็นที่เล่นไปสุ่สติหมายความว่าสติเนี่ยดึงมนันไว้นะสติ ต, ตรงนี้ก็คือการระลึกได้นั่นแหละระลึกถึงเอาจิตของเรามาระลึกตรงนี้ก็คือได้ละเอาจิตได้ละ ค่ะท่านบอกว่าวิธีที่ท่านมาสอนเรียกว่าอนาปานาสติมีสติอยู่กับลมหายใจแล้วก็ยังมีสติอย่างอื่นด้วยในการที่ปฏิบัติตามแบบที่พระพุทธองค์แล้วท่านใช้คําว่าตกจิตตอนแรกที่ท่านตกใจ <c oughs> ฟังไม่เข้าใจแต่ว่าอ๋อมาตามสงสัยท่านหมายถึงอย่างนี้หรือเปล่าตกปล า, ปลาตกปลาอ่ามันตกปลาแต่ว่าตกปลาได้ปลานี่เรากําลังจะให้ได้จิตใช่ใช่อะไรตกก็ได้นะเออใช้ลมหายใจตก ใช้ลมหายใจตกถ้าถ้าอุปมาอุปไมของบูรู้ชาวก็คือเหมือนกับโคแล้วก็ผูกโคเอาไว้กับหลักค่ะอ่าหลักเนี่ยคือคือลมหายใจนะโคตัวนี้หมายถึงจิตที่มันจะไปนู่นไปนี่กินนั่นกินนี่มันก็ไปตามเรื่องราวของมันค่ะอย่างนี้ตกจิตได้อย่างไระคระก็คือมีสติไงาการที่จิตของเรามาอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาการเนี่ยอย่างสมมุติเราเร า, เราไปคิดถึงคน น, นนั้นคนนี้คนโน้นใช่ไหม อาการที่เราไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนนนเนี่ยคิดถึงคิดออกคิดได้ตรงนี้ยคือสติทีนี้มันมันมันควบคุมไม่ได้นี่มันเป็นไม่ใช่สัมมาสติอะ่นะเอางี้สัมมาสติคืออะไรใช้กายเราก็ได้เอาลมหายใจเอาแล้วนะลมหายใจเรามานึกถึ ง, ถงลมหายใจพอเรามานึกถึงคิดถึงลมหายใจของเรานะอันนี้จิตเรามีสติละแล้วคุณใช้อะไรเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดการระลึกถึงตรงนี้ใช้ลมหายใจอ๋อก็เป็นอานาปานาสติไงค่ ะ, ะดูเหมือนกับว่า จะเป็นวิธีที่เกี่ยวกับการใช้สติทั้งนั้นที่ได้กลับเรียนถามและท่านตอบมาอืแต่ว่ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็จะได้ยินได้ฟังมาด้วยวิธีอื่นๆด้วยนะคะอ่าถ้าจะกลับเรียนถามท่านว่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าสอนวิธีที่จะฝึกเจริญสติ ใช่ไหมคะดิฉันใช้คำว่าจเจริญสติใช่ไหมคะใช่ใช่เพื่อให้เกิดสมาธินอกจากเหนือจากวิธีดังกล่าวแล้วเนี่ยมีวิธีอื่นใดอีกไหมคะแล้วมีกี่วิธีครัเอ่อเท่าที่ดูดูตรวจสอบในเบื้องต้นนะนะอันนี้นจ ะ, ะต้องมีการทําตรวจสอบในเบื้องลึกอีกทีนี้เบื้องต้นที่ที่ได้มีการตรวจสอบกันมาก็คือมีสี่สิบวิธีด้วยกันในสี่สิบวิธีที่ทําให้จิตเนี่ยมีสติอยู่ได้ ในเช่นที่เรารู้ก็คืออนุสติ10อย่างใช่ไหม <c oughs> เช่นระลึกถึงพระเจ้าระลึกถึงพระตรรมพระสงฆ์ระลึกถึงเทวดาระลึกถึงความดีของตัวเราเองเระลึกถึงอะไรต่างๆเหล่านีนะ้มีอยู่ทั้งหมด10อย่างอันที่ถัดมาก็จะมีพูดถึงมรณานุสตินะน <c oughs> ึกถึงความตายเป็นต้นนะ <c oughs> ถัดมาก็อสุภะอย่างเงี้ยพิจารณาถึงความไม่สวยงามของร่างกายอันนี้ก็เป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติได้ หรอเราเพูดถึงเห็นความไม่เที่ยงอันนี้ก็เป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติได้คือคือสติตรงนี้วใช้วิธีเดียวกันได้หมดเลยแหละคะถ้าหากว่าจะเดินไปสู่าการหลุดพ้นเ อ, อใช้วิธีไหนก็ได้ไงสิ่งที่เราต้องการคือจิตและสติอสิ่งที่เราต้องการคือจิตพูดใหม่นะสิ่งที่เราต้องการคือจิตคุณจะทําจิตมาอยู่นี้ได้งไงจิตนั้นต้องมีสติอืมทีนี้มันมีสติจากอะไรอ่ะจิตมัน คือมันต้องมาระลึกถึงใช่ไหมพอระลึกถึงปุ๊บจิตมันมาเนี่ยมันมาจากอะไรที่เราต้องการไม่ให้มันไปเนี่ยคือเราไม่ต้องการให้มันไปในที่ไม่ดีแตนะเราไม่ต้องการให้มันไปในสิ่งที่เป็นอกุศลทางการประจาใจไม่ให้ไปแล้วยังน้อยให้มันมาอยู่ที่นี่ในเะชมื่อเรานึกถึงความตายอย่างเงี้ยคือจิตเราไม่ไปมัวเมาพัวพันในความเป็นหนุ่มในของสวยงามถ้าเรามานึกถึงความตายเพราะนั้นความตายเนี่ยจึงเป็นเป็นสถานที่ต่างของการระลึกถึงอย่างหนึ่ง ของจิตเลยล่ะค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างของวิธีเพราะงั้นเถอใช่ไหมคะใช่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเาดี๋ฉันนึกขึ้นได้มีเพื่อนๆเขาชอบส่งรูปกันให้ดูตอนนี้นะคะรูปต้นรูปนี้มีรูปหนึ่งเขาคงจะส่งมาให้ทามะคะ่ะเป็นรูปคุณยายคนหนึ่งอคุณยายเนี่ยก็จะอยู่ในสภาพที่แบบหย่อนคล้อยเหีย่ยวย่นไปหมดเลยอืมอันเนี้ย ฉันเห็นท่านกำลังพูดถึงอะไรนะคะพิจารณาอาสุภะ อ, าอาสุภะสัญญาค่ะอย่างเงี้ยเห็นความเหี่ยวย่นย่อนยานอย่างนี้นะคะท่านคะจ ะ, จะเจริญอสุภะเจริญอย่างไรนะคะอ๋อก็คือเห็นความไม่สวยงามแล้วก็เห็นว่าแม้กายนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นอย่างนั้นสักวันหนึ่งอถ้าเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนะจิตก็เราจะคลายความกำหนัดในกายนี้ อันนี้คนดีๆก็จะเป็นกันอย่างนี้อ๋อหมายถึงว่าโปลงให้ตกเงนี้เหรอคะอ่าปรงตกก็ว่าถ้าว่าภาษาชาวบา้านนะนะค่ะคื อ, อพอเห็นปุ๊บ ก, ก็จะคิดอุย้ยทําไมยายนี่หน้าเกลียดจังใช่ แ, <ต>แล้วก็ น, น, น้อมเข้ามา น, นหรืออาจจะคิดได้ไะน้อมเข้ามาในจิตของเราว่าแม่ตัวเราก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างไงเหมือนกันอ๋อยายนั่นเขาเป็นอย่างนี้แต่ยายนี่คือเราเนี่ยใช่ก็เป็นแงงๆเลยเป็นแน่นอนนะคะนี่เท่ากับเจริญ อ่ะสุภาแล้วใช่ใช่เรามันง่ายจังเลยล่ะคะท่านคะเอ้า ก, ก็ก็ง่ายอย่างนี้แหละทำมาฮู้ยาไม่ได้ยากนะคือคือบางที่ยากเนี่ยคือทําไม่ถูกไงทําไม่ถูกเนี่ยยากมากๆเลยต่อให้ทําอย่างนี้มันก็ไม่ไม่ได้แต่ถ้าทาถูกเนี่ยไม่ยากคุณโยมติ๋วอืออ่าทีนี้ ท, นทีนี้ทำไม่ถูกเป็นยังไง ท, ท, ที่ทําไม่ถูกอ่ก็คือว่าสมมุติเห็นรูปยายแก่ด่าเลยด่า ด่าว่าทําไมมันทํอยางนี้เอ า, อา ง, งี้เนี่ยนี่คุณหาบาปใส่ตัวจิตคุณไม่มีสติละเห็นภาพเหมือนกันเลยนะภาพเดียวกันคนหนึ่งเอาทําไมคุณมาน้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วตัวเป็น ง, งี้จิตเราไม่มีคิดบ้าบอชั่วช้าหลามกอีกคนหนึ่งนะกลับด่าว่าพูดไม่ดีหาบาปใส่หัวก็คุณก็คนที่สองเขาทาไม่ถูกเขาจึงทํายากแล้วถ้าถ้าจิตเขาเป็นแบบว่า ฟุ้งซ่านคิดนั่นนี่ดาว่าคนอื่นแล้วจะมาให้เห็นธรรมะปล่อยวางนี่โอ้คุณเริกพูดเลยมันมันไม่ได้มันยากมากอืมอืมค่ะท่านคแต่ถ้าสมมติว่าภาพที่เราเห็นเห็นปุ๊ผุละ ก, ก, กากเลยก่อนเลยนะคะแต่ภาหลังจากนั้นพิจารณาอาสุภะได้เสียหายอะไรบ้างไมคะน่ะก็สะแสดงว่าอินทรีย์คุณยังไม่แก่กล้านะคือหมายว่ า, าต้อง<ก>ใช้เวลาที่ห้ามผุล้อกากเลยเลยค่ะก็คือวางได้เลยไงน้อมก็ไม่เสียตัวได้เลยมีความรวดเร็วมากนี่ปุ๊พัวได้เลย แต่ถ้าเรายากทำไม่ได้เราใช้เวลาบ้างเราใช้เวลาบ้างเนี่ยนะก็คืออินทรีย์ก็ก็ยังต้อ ง, ต, องต้องมีการบ่มได้อยู่บ่มให้มันดีขึ้นได้หมายความว่าไงครับบ่มให้ดีขึ้นได้เ อ, อบ่ ม, มคือทําให้มันม่วงะนะคะใช้คํำพออูบ่มให้มันสุกไงเหมือนว่าม่วงมันจะกินอร่อยเนี่ยเป็นบบมะ่วงสุกก็ต้องบ่มเอาแล้วก็ฝึกเอาขัดเอาล้างเอาเช็ดเอาให้มันดีขึ้นมาใจของเรานาะ อ, อ๋อค่ะ งั้นเท่ากับว่าถ้าเรารู้วิธีที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นเราเลือกเออสักวิธีหนึ่งถนัดชอบปรงให้ตกพิจารณาอสุภะก็ได้ก็ไปถึงความก้าวหน้าใช่ใช่ในกปฏิบัติเหมือนกันใช่มันต้อง พ, พลิกแผลนะคะคือขั้นแกล้งดูืู น, นพื้นๆขันน้นตอบต้องไปโหดไร้ายพารุนกลางอะไรไหมคะอันนี้ต้องระวังต้องระวังตรงนี้ว่าเออ อันนี้ท่านภาษาฤาษีบุตรเนี่ยได้เคยคุยกับท่านพระอนุรุทธะเอาไว้อะนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเป็นนิยะเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันทีเดียวคือท่านภาษาฤาษีบุตรพูดถึงว่าการที่ท่านพระอนุรุทธะเนี่ยไปเห็นที่นั่นที่นี่เนี่ยเอาคือท่านพระอนุรุทธะเนี่ยเป็นผู้มีตาทิพย์นะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการมีตาทิพย์เป็นเอตตะคะของพระเช่าเลยเอตตะคะในหมายถึงว่าเป็นหนึ่งในด้านนี้นะค่ะเออก็เอาสมาธิของตัวเองที่มีตาทิพย์เนี่ยไปเที่ยวดูหนึ่งพันโลกธาตุหนึ่ง นะท่านปราสตริบทบอกว่าการที่คุณไปดูหนึ่งหมืน่นโกรท่านเนี่ยจิตคุณฟุง้งซ่านเป็นความฟุ้งซ่านของท่านแตนะ่เช่นเดียวกันเรามาเปรียบเทียบในระยะนี้นะโอ้เรามีตั้งสี่สิบวิธีมีตัง้งโอ้หลายวิธีเราทําวิธีนั้นวิธีนี้วิธีนอตอันนี้เป็นความฟุ้งซ่านของคุณเราต้องระวังแล้วนะ เ, เอามันวิธีเดียวแล้วทําให้มันจริงทําให้มันถึ ง, ท ำ, ถงทำให้มันได้อันนี้จะดีกว่าทีนี้ถามว่าเอ๊ะเราฉันจะเลือกวิธีไหนดีล่ะ โอ้ยอันนี้เป็นสิ่งที่คุณตอบได้เองเลยโดยซ้าเพราะว่าคุณลองทําวิธีไหนแล้วมันดีเนี่ยคุณก็เอาวิธีนั้นเอตตำแล้วไม่เห็นดีสักวิธีเลย <c oughs> แสดงว่ามันมันหนามากจริงๆเอาวิธีที่พระเจ้าแนะนําเอาเอาวิธีที่อนาปานาสติกรานี้เป็นของพระพุทธเจ้าใช้เนี่ยพระพุทธเจ้าแนะนําตรงนี้นํามาแก้วิธีที่เรียกว่าอสุภะเนี่ยเพราะว่าออตอนนั้นเนี่ยพูดถึงความไม่งามของกายเนี่ย ออโอ้ยมันแย่มันไม่ดีเนี่ยพระก็เลย เ, เห็นเบื่อหน่ายก็เลยไปฆ่าตัวตายเป็นเหตุให้ต้นบัญญัติปรารชิกหนึ่งในสข้อเนี่ยคือการที่ห้ามฆ่ามนุษย์นะแล้วก็เลยให้อุบายแก้ไขนั่นก็คือการให้มีสติในลมหายใจอนาปานสติและนี่เป็นครั้งแรกที่แสดงพระสูตรนี้นะเพราะฉะนั้นก็เป็นการแก้เรื่องอสุภะมันอาจจะมีแง่มุมที่ทําให้คนเข้าใจผิดไป็ฆ่าตัวตายเอางี้คุณดูอารมณ์หายใจเนี่ยไม่มีทางผิดหรอกค่ะ ลมไายใจปลอดภัยที่สุดใช่แล้วมันก็อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดนะค่ะอ่านั้นก็จึงเป็นวิธีที่ทางรายการนี้แล้วก็พระอาจารย์ภับูลได้เลือกสอนผู้เรียนด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่คือ ต, ตัวตัวอาตมาเองก็มีความชนานาญในวิธีการนี้มากกว่าวิธีการอื่นอถ้าถามเราวิธีอื่นเราก็คงตอบได้ไม่ทุกแ ง, ง่มุมแต่ถ้าถามวิธีนี้เราก็พอใจตอบให้ได้นะคะแล้วก็ เหมือนกับว่าจะได้ให้ทุกท่านเนี่ยปฏิบัติได้สะดวกมากยิ่งขึ้นคือบางคนพอตั้งค่าพูดถึงเรื่องสมาธิส่วนใหญ่ก็คงจะนึกถึงโอ้โหต้องเก็บข้าวเก็บของนี่จะมีชุดขาวโครกหรือเปล่าแล้วก็ไปทำสมาธิใช่ไหมคะโอ้โจะต้องฝากงานอย่างนู้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วไม่ได้ยากใช่ไหมคะก็ฟังรายการวิจิุนี่แหละมันมันอยู่ที่ใจของเราสมาธิเนี่ยนะเรามีกายมีใจที่ไหนทําได้ตรงนั้นอืดิฉั้นเนี่ย เวลาคนมาขอทําแนะนําหรือเห็นใครมีความทุกข์ความไม่สบายใจระยะหลังๆเนี่ยต้องกราบเตียนท่านเลยนะคะบางครั้งมีเวลาน้อยเราก็ไม่รู้จะแนะนําเขายังไง mm. ก็ว่าโอ้ไปนั่งสมาธิเลยอืม mm. ทีนี้ส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่านั่งสมาธิแล้วเนี่ยอสิ่งอื่นๆที่ดีงานจะตามมาซึ่งอธิบายไม่ได้อืม mm hmm. ท่านพ <Okay. S 2> ิบูลอธิบายได้ไหมคะว่า oh. สิ่งอื่นๆที่ดีๆตามมาไหมแล้วก็ถ้าตามมาเนี่ยจะตามมาอย่างไร ผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในทิฏฐธรรมเดี๋ยวนั้นเลยนะคือถ้าคุณทําถูกคุณทําได้จิตคุณสงบทันทีแนะโดยช่วงยิ่งอนาปานาสติเนี่ยจะสามารถที่ทําให้คลายความฟุ้งซ่านได้นะจิตจะเป็นจิตที่ไม่ฟุนะ้งซ่านผลที่เกิดในเวลาต่อมานะพอจิตคุณสบายแล้วเนี่ยคุณสามารถตัดสินใจการงานได้อย่างดีขึ้นนะการพูดการคุยการทํางานต่างๆมันกลายออกมาเป็นสิ่งที่ดีนะพลิกแปลสถานาการณ์ได้ ผลที่เกิดตามมาอีกต่อไปต่อไปอีกโอ้โหถ้าคุณทําไปเรื่อยๆนะคุณตัดวัตตาสงสารได้โอ้โหนี่เป็นสุดยอดเลยเป็นผ้าหลานขึ้นมานี่ไม่ธรรมดาเลยอ่านี่นี่พูดเยอะๆนี่คือหมายว่าอันนี้พูดเยอะๆตามเวลาที่มีนะเพราะตอนนี้เราจะพูดให้ละเอียดก็ต้องไปต่อตอนหน้าได้อืถ้างั้นตอนหน้าเนี่ยอาจจะ ก, กราบเรียนถามท่านในเรื่องพวกนี้อีกสักตอนหนึ่งเพราะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะคะอ๋อใช่ใช่อ่า ต้องบอกว่าายการนี้มีพักสองอาทิตย์ท่านพิบูรลไม่ได้พักเสองอาทิตย์ก็จะรบกวนท่านในสัปดาห์หน้าท่านฟังทั้งหลายก็กรุณาเปิดมารับฟังท่านพิบูรณ์ในสัปดาห์หน้าพร้อมทา่านในท่านด้วยนะคะแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนคลื่นไปฟังที่กลุ่มประชาสัมพันธ์สองอาทิตย์นี้เวลาเดียวกันก็จะมีท่านพิบูรณ์จัดด้วยเช่นเดียวกันวันนี้กราบนัสกสการขอบพระคุณค่ะเจริญบอลค่ะทัานฟังที่ครบคะ่ะ ดิฉันเองเนี่ยพยายามนะคะที่จะเสนอแง่มุมของการปฏิบัติเอาไว้เพราะว่าคิดว่ามันจะเสียเวลาเปล่าเลยนะคะถ้าหากว่าเรารู้แต่คําสอนส่วนวิธีการปฏิบัตินั้นมไม่ได้มีการบอกกล่าวกันจึงทําให้เสียโอกาสในการที่จะเข้าถึงการปฏิบัติไปพร้อมๆกันเลยวันนี้ก็ได้ทราบทั้งเป็นอย่างไรในเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็มีประโยชน์ อย่างไรทำยากมากน้อยแค่ไหนหวังว่าจะทำให้ท่านทั้งหลายมีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาชนิดที่ท่านอาจารย์และคณะไม่ว่าจะเป็นท่านมาร์คหรือว่าพระอาจารย์คริปสอนเสริมก็คืออาณาปานสตินะคะวันนี้ใครอยากได้นั้นสือก็ติดต่อขอมา22690006 หนังสือชุดพุทธวจะนะไปอ่านใครควรวนคำพระศ า, าสดาที่ไม่มีตีพิมพ์นะคะในขณะนี้ที่ไหนมากนะักวันนี้เราก็ลาการบิเพียเท่นทา น, นี้นะคะพุทธสวัสดีค่ะ